กราบบูชาปรัตนตรัยกราบบูชาครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อทียหลวงพ่อคำเขียนถวายความกรบมายยังพระอาจารย์วรัฒนาชัยปันเตเพื่อนสาธมิกเจริญพรมายังลูกเนนนะภิกษุณีแม่ชีแล้วก็นักปฏิบัติธรรมทุกคนก็นั่งกันตามปกติเนะ วันนี้ก็เป็นวันที่ยี่สิบสามนะยี่สิบสามมิถุนายนนะวุฒิกศกันรยาสิบเกจริงๆตามประวัติศาสตร์ในวันพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะของประเทศไทยเรานะยี่บสี่มิถุนายนสองพ4นสรเจ็สิบห้า ยังนะมีการเปลี่ยนแปลงจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะเป็นระบบประชาธิปไตยในช่วงนั้นเนี่ยนอกจากการเปลี่ยนแปลงนะการปกครองแล้วนะก็มีการปฏิรูปนะพระพุทธศาสนานะซึ่งเกิดขึ้นที่ทางใตนะ้ก็คือส่วนมูกนะโดยอาจารย์พุทธทาส นะซึ่งตรงนี้นก็เป็นจุดเริ่มต้นนะของการที่ทำให้พุทธศาสนานนะจากเรื่องที่เป็นความงมงายบ้างนะเป็นเรื่องที่หวังผลเพียงแค่ชาติปัจจุบันนะก็มีการนำสิ่งที่ถูกทอดทิ้งไปนะก็คือเรื่องของการที่เราจะพ้นทุกข์อย่างไร นะการที่เราจะ <c oughs> ออกจากความทุกข์ได้อย่างไรพุทธศาสนาในปัจจุบันเนี่ยนะถือว่าเป็นผลจากตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะ้าเมื่อประมาณร้อยกว่าปีที่แล้วนะระวังผลเพียงแค่ชีวิตปัจจุบันเท่านั้นเองนะก็คือให้มีความสุขนะในปัจจุบัน เหมือนยังกับคนปัจจุบันนะมุ่งหวังนะสุขสวยรวยดนะีก็พยายามวิ่งหากันนะความมั่งคั่งร่ำรวยนะความสวยความหล่อนะความสุขนะที่สัมผัสได้นะจากการกินนะจากการเที่ยวนะจากความสนุกสนานนะซึ่งความสุขชนิดนี้เนี่ย นะก็เป็นความสุขชั่วคราวเท่านั้นเองนะแล้วเราก็จะต้องเติมหรือจะต้องหามันอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นชีวิตของคนในยุคปัจจุบันนี้นะก็เหน็ดเหนื่อยนะกับการวิ่งหาความสุขนะที่ได้มาจากวัตถนะุจากการกินการอยู่เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยนะก็เป็นความสุขในระดับพื้นพื้นนะซึ่ง ความสุขชนิดนี้เนี่ยอย่าว่าแต่คนเลยนะสัตว์มันก็หาอยู่หากินนะเขาบอกคนและสัตว์เนี่ยนะเสมอกันอยู่4อย่างกินนอนสืบพันธุ์กลัวภัยนะถ้าเรามีชีวิตเพียงแค่4อย่างนี้เนี่ยนะคนกับสัตว์ก็ไม่ได้ต่างกันสิ่งที่จะทำให้ต่างกันก็คือการที่เรามานะมีธรรมะ นะซึ่งคำว่าธรรมะเนี่ยมันก็กว้างมากนะกว้างมากแต่ถ้าเราจะพูดกันให้ตรงลงไปนะก็คือธรรมะในจิตในใจนะเป็นเอ่อการหาความสุขนะที่มีอยู่แล้วนะในจิตในใจของเราเช่นขนาดนี้ น, นนะพวกเราได้ยินได้ฟังนะลองสังเกต ด, ดูจิตใจเราสินะถ้าเราไม่งกง่วง นะเราไม่ซึมเศร้านะจิตใจเราตื่นรู้ไหมนะเป็นความสุขที่มีอยู่แล้วในจิตในใจก็คือความเป็นปกติของใจนะไม่งุดงิดไม่ง่วงเงาเหานอนนะไม่โศกเศร้าเสียใจนะตรงนี้เนี่ยเป็นความสุขที่มีอยู่แล้วนะเป็นความสุขที่ประนีต แต่ความสุขชนิดนี้เนี่ยเป็นความสุขที่มันไม่ค่อยมีรสชาติเท่าไหรนะ่นะักนะมันจืดชืดนะแต่ว่าความสุขชนิดนี้เนี่ยขาดไม่ได้นะสังเกตดูเธอนะเมื่อเรามีความทุกข์หนักอกหนักใจนะหรือบางทีก็มีความสุขนะมีความดีใจนะใจมันก็จะพองขึ้นนะเมื่อทุกข์ใจมันก็จะแฟบลง แต่จะสุขจะทุกข์อย่างไรเนี่ยมันจะกลับมาปกตินะใจปกติใจที่ปกตินี่แหละนะเป็นความสุขที่มีอยู่แล้วโดยตามธรรมชาตนะิแต่ว่าเราหลงลืมไปเราไม่ได้ใส่ใจนะเราไปสนใจวิ่งหาความสุขจากข้างนอกความเป็นปกติของใจเนะี่ยเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงนะให้เรามีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบันนะให้เรามีความสุขนะ ในชีวิตปัจจุบันเป็นความสุขที่ไม่ต้องเสียเงินเสียทองเป็นความสุขที่หาได้ง่ายๆนะและเป็นความสุขที่ได้มาฟรีๆนะไม่ต้องไปใช้เงินทองนะซื้อหาไม่ต้องไปเสียเวลานะในการที่จะต้องไปวิ่งตลอดตลอดแล้วก็หาไม่จบไม่สิน้นะความสุขที่ได้มาจากการเสพการกินการดื่ม นะที่ได้มาจากข้างนอกแต่ความสุขชนิดนี้เป็นความสุขที่มีอยู่ในภายในอย่างไรก็ดีความสุขชนิดนี้มันเป็นของที่ละเอียดพรณีตนะคนที่ไม่มีาตาในนะก็อาจจะมองไม่เห็นนะคำว่าตาในในที่นี้ก็คือตัวสติสัมปชัญญะหรือนะความรู้สึกตัว เป็นความรู้สึกตัวที่มีการพัฒนาแล้วนะเมื่อพูดถึงความรู้สึกตัวหรือสติสัมปชัญญะเนี่ยโดยธรรมชาติเรามีอยู่แล้วโดยสัญชาตญาณเรานั่งเราก็รู้เรานอนเราก็รู้เราพูดเราคุยเราก็รู้เป็นความรู้สึกตัวที่มีอยู่ตามธรรมชาติตามสัญชาตญาณแต่ความรู้สึกตัวชนิดนี้เนี่ย มันมันไม่สามารถที่จะไปเห็นสิ่งที่ละเอียดนะก็คือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ต่างๆนะเรารู้นะว่าความกโกรธไม่ดีแต่เราก็ยังกโกรธอยูนะ่เรารู้ว่าความหงุดหงิดไม่ดีนะเราก็ยังหงุดหงิดอยู่นะตรงนี้เนี่ยเพราะอะไรเราเพียงแต่รู้ในความคิดนะแต่ว่าเราไม่ได้เคยเจอเห็นมันจริงๆ เราไม่เคยรู้เลยว่าความโกรธเนี่ยมันร้อนรุ่มขนาดไหนนะมันทำให้เกิดการาสั่นสะเทือนความเป็นปกตินะหรือจิตใจเราไม่ปกติขนาดไหนนะเพราะมันเป็นสิ่งที่อยู่ในจิตในใจนะตราบใดก็ตามที่เราไม่ได้มาใช้ความรู้สึกตัวชนิดที่สองนะก็คือสติปฐานนะหรสติที่มีการพัฒนาแล้ว จริงๆมันคือสติตัวเดียวกันนั่นแหละแต่ว่ามันได้รับการพัฒนาได้รับการฝึกฝนให้มันมีความฉับไวว่องไวคล่องแคล่วนที่จะรู้เท่ารู้ทันอารมณ์ความรู้สึกความนึกคิดต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตในใจของเราหรือแม้แต่ความเป็นปกติของจิตของใจเพราะฉะนั้นการที่เรามาวัดป่าสุกโตเนี่ยจุดมุ่งหมายของแต่ละคนนั้นคงจะ นะอั น, นิี้คาดหวังเองนะว่าเราต้องการที่จะมาสแสวงหาเครื่องมือนะหรือวิธีการนะที่จะทำอย่างไรให้ความรู้สึกตัวที่มีอยู่โดยสัญชาตญาณ น, นั้นนะได้พัฒนาขึ้นนะได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะในการที่เราจะกลับมาเรียนรู้นะเรื่องที่มันเกิดขึ้นภายในกายภายในใจของเราการเรียนธรรมะ นะไม่ยากอะไรนะเพียงแต่ว่านะเราเปิดใจนะสิ่งที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาความรู้ที่มีนะอาจจะถูกบ้างผิดบ้างนะหรือวิธีการนะต่างๆที่เราเคยทำมานะก็ผิดบ้างถูกบ้างพูดถึงเรื่องของการเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจเนี่ยนะส่วนใหญ่เราก็จะได้ยินคำว่าฝึกสมาธิบ้างปฏิบัติธรรมบ้าง ทำกรรมฐานบ้างนะแล้วส่วนใหญ่ก็จะเน้นนะให้เรานั่งนิ่งๆนะปิดตาสงบนะซึ่งอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งนะที่เป็นที่แพร่หลายและหลายคนคงจะคุ้นเคยแต่วิธีการที่เราจะมาเรียนรู้ที่วัดป่าสโกโตนี่จะแตกต่างออกไปนะก็คือว่าเราไม่นั่งนิ่งๆนะเราไม่นั่งหลับตาเราไม่ต้องบริกรรมนะแต่อะไรใส่การเคลื่อนไหว เปิดตาขึ้นลืมตานะลืมตาแล้วก็พยายามเคลื่อนไหวเป็นวิธีการที่ง่ายๆนะและเป็นวิธีการที่ทำให้เกิดการตื่นรู้นะได้เร็วได้ไวการที่เราไปนั่งนิ่งๆนะนั่งหลับตาอาศัยลมหายใจนะแล้วก็พยายามให้ใจมันสงบนะไม่ต้องคิดอะไรอันนั้นนะมันไม่ยากหรอกนะมันทำได้ง่ายๆ แต่คำถามก็คือว่าเราทำมากี่ปีแล้วแล้วมันยังโกรธอยู่ัหมหรือ ว, ว่าความโกรธลดลงไหมนะความเจ้าอารมณ์ของเราลดลงไหมนะถ้าเราทำมานะ8ปปี9กปีก็ยังเหมือนเดิมแสดงว่ามันมันมันไม่ถูกทางแล้วละ่นะพระเจ้าท่านบอกว่าผู้ใดเจริญสตนะิอย่างต่อเนื่องนะอย่างนาน7ปี นะจะต้องได้เป็นพระอรหันต์หรือเป็นพระอนาคามนะีเราไม่ต้องพูดถึงตรงนั้นเอาว่าความทุกข์มันลดลงเนี่ยมันลดลงไหมหรือยังหนัก อ, อกหนักใจเวลาเรามีความทุกข์มีความเครียดเรายังต้องไปวิ่งนะหาจากวัตถุข้างนอกจากบุคคลจากสถานที่อยู่ไหมนะต้องเสียเงินเสียทองนะไปหาซื้อของกินนะไปเที่ยวที่นูน่นที่นี่ ไปดูหนังฟังเพลงนะหรือบางคนต้องอาศัยสิ่งเสพติดนะกล่อมนะให้มันลืมลืมไปนะซึ่งตรงเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เราพอจะวัดได้แต่ถ้าเราทําแล้วไม่ว่าจะเป็นวิธีใดก็าตามนะความทุกข์ไม่ลดลงความโกรธยังมีเหมือนเดิมความจู้จี้จุกจิกนะก็ยังมีเหมือนเดิมความเครียด ก, ก็ยังมีเหมือนเดิม นะอันนี้เราก็หน้าที่จะต้องมาใคร่ครวงแล้วว่าเอมันทำถูกไหมนะมันเดินทางถูกทางไหมนะทีนี้ที่เรามาอยู่ที่วัดป่าสุกโตเนี่ยนะเราจะมาเน้นการฝึกจิตแบบเคลื่อนไหวนะซึ่งเป็นวิธีการวิธีหนึ่งนะมันก็มีจุดร่วมกันนะกับวิธีการที่เราคุ้นเคยเช่นนั่งหลับตานะั่นแหละเนะพียงแต่ว่ามันเป็นการแก้นะจุดอ่อน ส่วนใหญ่ที่เราฝึกสมาธินั่งหลับตาเนี่ยเรามักจะคิดว่านั่งเพื่อให้มันสงบไม่ต้องคิดอะไรอันนั้นก็ใช่เหมือนกันแต่ว่ามันไม่ใช่ที่สุดของมันนะมันเป็นเบื้องต้นเท่านั้นเองนะทีนี้เบื้องต้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปติดกันติดที่ความสงบนะสงบไม่คิดอะไรนะซึ่งตรงนั้นเนี่ยนะมันได้แต่ความสบายนะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้มีปัญญา เรานั่งหลับตาเราสบายขณะที่เรานั่งแต่พอเราตื่นไปเราไปทำนู่นทำนี่มีสิ่งมากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเรายังดีใจเสียใจพอใจไม่พอใจอยู่หรือเปล่าหรือใจเราปกติอยู่นะตรงนี้เป็นเครื่องวัดจุดอ่อนของการนั่งหลับตาหรือการทำสมาธิก็คือส่วนใหญ่เราจะไปติดสงบ แล้วเราก็ไม่ไม่ไม่พัฒนาต่อนะตรงนี้นะถ้าเรามาลืมตาซะมาเชิญกับความเป็นจริงนะทำการเคลื่อนไหวอาศัยอิริยาบถเป็นตัวปลุกความรู้สึกตัวที่มีอยู่แล้วให้มันตื่นขึ้นให้มันฉับไวขึ้นนะแล้วเราก็แกนะ้หรือป้องกันหรือหลีกเลี่ยงก็ได้หลีเกเลี่ยงหรือว่าป้องกันการที่จะต้องไปติด ก, กับความสงบ เพราะว่าเราลืมตาเราเห็น <c oughs> นะความสงบที่เป็นความสงบแบบนิ่งเนี่ยนะเราจะได้ผ่านเราจะมาเจอกับความสงบอีกชนิดหนึ่งก็เรียกว่าสงบแบบตื่นรู้นะความสงบตื่นรู้เนี่ยก็คือความสงบที่เราเคลื่อนไหวแล้วก็รู้เนื้อรู้ตัว <c oughs> พลิกมือก็รู้ยกก็รู้เคลื่อนก็รู้รู้สึกตัวในการยกมือเคลื่อนไหวเนี่ยให้มีจังหวะ นะอย่าไปเคลื่อนแบบอัตโนมัตนะิเคลื่อนก็รู้หยุดก็รู้รู้สึกตัวอย่ารู้อะไรมากกว่านั้นถ้ารู้อะไรมากกว่านั้นเรื่องคิดรู้แหละมันไม่ใช่รู้คิดนะมันคิดรู้เอาคิดว่าเรารู้แล้วเวลายกมือเนี่ยใหม่ๆเนี่ยเจตนาหน่อยอย่าไปทาแบบลอยๆนะลอยๆเบาๆเกินไปนะใหม่ๆนีเจตนาหน่อย เจตนาที่จะรู้เนื้อรู้ตัวเจตนาที่จะรู้การเคลื่อนไหวแต่แน่นอนนะใหม่ๆเนี่ยก็เพ่งจ้องบ้างเป็นธรรมดานะแต่เมื่อเรารู้ตัวว่าเพ่งจ้องมันจะมีอาการที่แสดงออกมามันจะมึนมึนมันจะหนักหนักหรือบางคนจะแน่นหนะ้าอกนะตรงนี้เราก็ผ่อนผ่อนยอนยอนนะไปเพ่งเกินไปตั้งใจเกินไปนะมันก็หนักนะเราก็ วางกายสบายๆวางใจสบายๆนะทำสบายๆนะไม่ต้องไปตึงขึงเครียดนะการฝึกจิตฝึกใจเนะีนะ่ยทาให้มันเป็นธรรมชาติไม่ลำบากนักแต่ก็ไม่สบายเกินไปเขาบอกว่าไม่เพ่งและไม่เผลอนะแต่ส่วนใหญ่ใหม่ๆมันจะเพ่งไปขอนะนะนะเออไม่เป็นไรนะแล้วเราอยปรับ นะเพ้งบ้างเผลอบ้างใหม่ๆเนี่ยนะอย่าไปจดจ้องที่ใช้มันรู้ตลอดเวลาให้สังเกตดูมันมีรู้บ้างเผลอบ้างรู้การเคลื่อนการไหวเผลอคิดไปไม่เป็นไรเผลอคิดไปเมื่อไหร่ก็ตามกลับมารู้เนื้อรู้ตัวกลับมาอยู่ที่การเคลื่อนไหวกลับมาอยู่การที่เดินจงกรมสร้างจังหวะนะตรงนี้นะจะเป็นตัวที่ทาให้เรา เริ่มรู้จักเรียกใจกลับมาอยู่กับเนืกับตัวคนโบราณเขเรียกเรียกขวัญกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวแต่ก่อนใจของเรามันเผลอไปกับความคิดเรื่องราวต่างๆบางทีก็อาลัยอาวร์กับเรื่องในอดีตบางทีก็วิตกกังวลกับเรื่องอนาคตนจะเป็นอย่างไรบางทีก็ห่วงเรื่องนั้นห่วงเรื่องนี้ห่วงเรื่องการเรื่องงานเรื่องทรัพย์สิน เรื่องครอบครัวนาเรื่องเศรษฐกิจการเมืองนาต่างๆน า, นาตรงเนี้ยนมันก็ทำให้เรามีความทุกข์นเป็นความทุกข์ที่เราไม่รู้ตัวเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตในใจทำให้ใจของเราไม่ปกตินาบางทีได้สิ่งที่เราสมหวังก็ดีใจใจมันก็ฟูขึ้นพองขึ้นนาบางทีเจอสิ่งที่เราคาดไม่ถึงนาทให้เสียใจทาให ไม่พอใจอ่ะใจก็แฟบลงอีกแล้วนะใจมันเสียความเป็นปกติแต่เมื่อใดก็ตามนะที่เรารู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกตัวความรู้สึกตัวนี้จะปรับสมดุลขึนะ้นสู่ความเป็นปกติความเป็นปกติของใจมันก็จะแสดงออกมามันจะเด่นออกมาใหม่ๆเนี่ยผู้ฝึกใหม่เนี่ยอย่าเพิ่งไปยุ่งกับความคิดมันคิดอะไรขึ้นมาทิ้งไปก่อนไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปใส่ใจ กลับมาอยู่ที่การเคลื่อนการไหวมาอยู่ที่กายเคลื่อนไหวก่อนนะไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปหายเหตุคผลเล่มคิดอย่างไงมันมาจากไหนทำไมมันถึงคิดโอ้โไอ้นี่มันคิดซ้อนคิดขึ้นไปแล้วนะคิดขึ้นมาทีไรทิ้งไปเลยกลับมาอยู่ที่การเคลื่อนการไหวการเคลื่อนการไหวเนี่ยเาเรียกว่าการบำเพ็ญเพียรทางกายนะในการฝึกกรรมฐานเนี่ยนะในขั้นแรกให้เรา บำเป็นเพียนทางกายก็คือมาระลึกรู้นาที่กายเคลื่อนไหวบ่อยๆจากกายเคลื่อนไหวหยับหยาบคือการยกมือการเดินชงกลมนเราทําบ่อยๆทําซ้ําแล้วซ้ําอีกนมันจะไประลึกรู้นการเคลื่อนไหวที่ละเอียดอ่อนเข้าไปเช่นกระพริบตาก็รู้คืนน้ําลายก็รู้หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้มันจะเป็นไปเอง จากการที่เราฝึกฝนอย่างต่อเนื่องทำอย่างต่อเนื่องนะไม่ใช่ทำทำหยุดหยุดนะบางคนเบื่อไม่ทาไม่เบื่อจึงทำนะตรงนี้มันจะทำให้เกิดการไม่ต่อเนื่องทำให้เนิ่นช้าเพราะนั้นการที่เรามาใช้ชีวิตที่วัดป่าสุขโตเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มพยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะเราจะมีเวลาอยู่ด้วยกันเต็มเต็มสามวัน นะวันนี้พรุ่งนี้มะลืนนีนะ้ในช่วงสามวันนี้เนะี่ยพระอาจารย์ทรงสินก็จะพาพวกเราปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นนอนจนเะข้านอนในรูปแบบนะเต็มทีนะ่เรียกว่าจะไม่ให้เสียเวลาและก็ให้คุ้มค่ากับเงินที่ใช้จ่ายเทนะ่าที่ทราบเนี่ยแต่ละคนเนี่ยนะได้รับการสนับสนุนมาตกประมาณคนละ้ว 6,500 บาท 100คนก็ประมาณ00แสนกว่าบาทนะเรียกว่าครึ่งล้านเลยนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ต้องให้มันคุ้มค่ากับเงินกับงูประมาณนะที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีจิตใจหนักแน่นมั่นคงนะพร้อมที่จ ะ, ะเผชิญกับงานการภาระนะโดยเฉพาะงานบริการนะเป็นงานที่หนักหน่วงพอสมควรถ้าจิตใจแล้วไม่หนักแน่นมั่นคงเนี่ยมันก็จะหวั่นไหว นะมันจะเสียความเป็นปกติไปเพราะนั้นการที่เรามาฝึกฝนะึกในรูปแบบเดินจงกรมก็ดีสร้างจังหวะก็ดนะีอันนี้เราจะทำกันให้มากๆนะโดยเฉพาะวันนีนะ้ตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นนะแล้วก็พระคุณเจ้าภิกษุที่บวชใหม่13รูปนะก็จะมาร่วมฝึกกับพวกเราด้วยนะซึ่งเดี๋ยวตอนเช้าท่านไปบิณฑบาตนะเสร็จแล้วฉันเช้าเสร็จท่านก็จะมาร่วม การปฏิบัติกับพวกเรานะก็ประมาณสัก9โมงนะไม่เกิน9โมงมาร่วมกันนะที่นีนะ่จนถึงเย็นนะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นการได้มาฝึกฝนอบรมตัวเราเองนะเพื่อสัมผัสกับความเป็นปกติของใจนะเป็นความสุขที่มีอยู่แล้วนะโดยตามธรรมชาตินอกจากการทำในรูปแบบนะเราก็พยายามฉวยโอกาส ในกิจวัตรประจําวันนะไม่ว่าจะเป็นการกินการดื่มนะการขับถ่ายนะการเดินไปบินดาบัดนะการเดินเข้าห้องน้ำํำนะกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยให้เราเติมความรู้สึกตัวเข้าไปย้ายมันเสียโอกาสย้ายมันเสียเวลานะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังก็คือการพูดการคุยนะการพูดการคุยเนี่ยนะ มันเกิดจากการที่เราเพูดคุยในเรื่องที่ไม่เป็นสาระนะมันคิดแล้วก็พูดนะมันก็จะฟุ้งขึ้นมาปกติเรื่องในจิตในใจเราในเยอะและ้วนะเราคุยใหม่เนี่ยมันก็เกิด เ, เรื่องราวขึ้นมาใหมนะ่ซึ่งมันจะสะสมนะอยู่ในจิตในใจของเราการที่เรามาฝึกนะจเจริญสตนะิรู้จักการเคลื่อนการไหวอย่างนี้เนี่ย เดี๋ยวสิ่งต่างๆที่มันหมักหมมอยู่ในใจก็เรียกว่าอาสวกิเลสเครื่องเศร้าหมองเนี่ยมันจะแสดงออกมาเพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวเนี่ยจุดประสงค์อีกอันหนึ่งก็คือการกวนการกวนการถลุงสิ่งที่มันหมักหมมอยู่ในจิตในใจให้มันผุดโผล่ขึ้นมาแล้วเราก็เห็นมันเห็นแล้วทําอะไรก็ไม่ต้องไปทําอะไรมันก็แค่รู้มันแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปเรื่องเก่า ทั้งที่เป็นเรื่องของสิ่งที่เป็นคุณงามความดีนะ่เรียกว่ากุศลธรรมสิ่งที่ไม่เป็นสิ่งที่ไม่ดีเรียกว่าอากุศลธรรมที่เราจดจําไว้เก็บไว้ในจิตไร้สานึกตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันมันจะโผล่ขึ้นมาให้เราเห็นเมื่อเราเห็นเราก็ไม่ต้องไปทําอะไรมันนะเพียงแค่เรารู้มันก็จะถูกสลายไปมันจะหายไป อันนี้แหละเขาเรียกว่าการชำระจิตชำระจิตสิ่งมนทินเครื่องเศร้าหมองในจิตในใจให้มันถูกชำระล้างออกไปใหม่ๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวที่เขาเรียกว่าไม่เคยดีก่อนเขาเรียกอกุศลธรรมเนี่ยมันจะแสดงออกมาเหล่านิสัยจริตนิสัยเป็นยังไงมันจะแสดงออกมาบางคนขี้โกรธความโกรธแสดงออกมาบางคนขี้เกียจ ความง่วงเหงาสองนอนมันจะแสดงออกม า, าบางคนก็เป็นค น, คนที่คิดจุกคิดจิกไม่จบไม่สิ้นอะไรพวกนี้มันจะแสดงมาฟุ้งกระจายขึ้นมาเพราะฉะนั้นการเรียนกรรมฐานการเรียนเรื่องการฝึกจิตฝึกใจเนี่ยเราไม่ต้องไปหวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หวังว่ามันนั่งแล้วมันจะสงบมันไม่ต้องคิดอะไรเราไปหวังหรือเราไปคิดอย่างนั้น แลนะ้เอาว่าอะไรมันเกิดขึ้นรู้มันนะแล้วก็ไม่ต้องไปแสดงความดีใจเสียใจพอใจไม่พอใจนะอย่างบางคนเนี่ยมาฝึกเนี่ยใหม่ๆก็ง่วงนะง่วงมากๆเลยนึกว่าเรามาฝึกแล้วมันจะไม่ง่วงนะขนาดลืมตามันยังง่วงนะหลับตามจะขนาดไหนอะความฟุ้งซ่านก็เหมือนกันเราคิดว่ามาปฏิบัติไม่ต้องคิดอะไรสงบนิ่ง แต่พอเรามาปฏิบัติโอ้โหมันฟุ้งน่าดูเลยอยู่ที่บ้านไม่เคยฟุ้งขนาดนี้เลยถามว่าที่บ้านก็ฟุ้งแบบนี้แหละเพียงแต่ว่าเราไม่ได้กลับมาดูเรามีการงานเรามีเรื่องล่าต่างๆทาให้เราไม่ได้มีโอกาสมาดูเพราะนั้นอันนี้ถือว่าเป็นนาทีทองเป็นโอกาสพิเศษที่เราจะได้มาเรียนรู้เรื่องพวกนี้แล้วมาชำระล้างซะสิ่งที่มันหมักหมมในจิตในใจของเราเนี่ย เป็นการชำระจิตนะโอวาตปาทิโมกบอกละชั่วเรารู้เราเคยทําทําดีเราก็เคยทำํำละชั่วทําดีทําจิตให้บริสุทธิ์ไอ้ข้อสุดท้ายเนี่ยเราไม่เคยคุ้นเคยกันแล้วเราก็ไม่รู้มันจะทํำยังไงสามวันนี้ห้าวันนี้เจดวันนี้หรือคนที่จะอยู่เข้าบรรษามาเรียนรู้เรื่องพวกนี้มาฝึกเรื่องพวกนี้ นี่แหละคือสิ่งที่พุทธองค์ได้ค้นพบเมื่อ 2,700 กว่าปีที่แล้วและเป็นสิ่งที่ยังสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันและไม่ใช่เรื่องเลวิสัยที่เราจะทําได้นะสามารถที่ทําได้ทุกคนขอให้มีความศรัทธามีความตั้งใจมีความเพียรพยายามนะอาศัยศรัทธาอาศัยความเพียรอาศัยสติสมาธิและปัญญาหนะักเรียกว่าอินทรี่ห้พละห นะฟันฝ่านะความยากลาบากความทุกข์ยากนะที่เราจ ะ, ะเผชิญกับการฝึกการปฏิบัติย่าเห็นแต่ความสะดวกสบายโนะยเราอยู่ที่นี่เราจะไม่นอนกลางวันนะการฝึกเนี่ยเราไม่นอนกลางวันแต่กลางคืนเราจะนอนนะการนอนกลางวันเนี่ยเป็นการฝึกความาเรียกว่าความขี้เกียจก็ได้นะเป็นการให้อาหารกับกิเลสนะกิเลสของความง่วงเหงาหานอนแต่เพราะนั้น <c oughs> ตรงนี้เนี่ยความง่วงเหงานอนมันไม่ได้มีตลอดเวลาหรอกนะใจแข็งใจสู้เดี๋ยวมันผ่านได้นะลองดูนะวันนี้สิ่งที่เราจะเจอก็นี่แหละนะเขาเรียกวันนี้บอนะเครื่องกลางกั้นความง่วงความเบื่อความฟุ้งซ่านนะความไม่สบายกายไม่สบายใจนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาทดสอบเราว่าจิตใจเราเข้มแข็งไหมเราจะผ่านได้ไหม ถ้าเรายอมแพ้เช่นเราง่วงเราก็กลับไปนอนนะ <c oughs> บางคนแอบกลับไปนอนกุตนะิตรงนี้ก็เรียกว่าเราแพ้และนะแพ้ความง่วงละนะซึ่งตรงนี้เนะี่ยเร า, เาถ้าเราสามารถที่จะผ่านมันได้อาศัยกลุ่มอาศัยการที่มีกัลยาณมิตรนะช่วยทำให้เราสามารถที่จะผ่านบนสิ่งเหล่านี้ไดนะ้สามวันลองดู นะมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นจิตใจเราจะหนักแน่นมั่นคงมีสติมีความรู้เนือ้อรู้ตัวนะแล้วเป็นจุดเริ่มต้นนะของการที่เราจะไปพัฒนาให้ต่อเนื่องในชีวิตประจำวันหลังจากที่เราจะกลับจากที่นี่ไปนะแล้วก็เอาไปใช้ในการในงานสามวันเนี่ยมันยังไม่ถึงกับที่จะจบสมบูรณ์บริบูรณ์หลักแต่ว่าเป็นการจุดเริ่มต้นนะจุดประกาย นะให้เห็นว่าเออมันมีเรื่องนี้ด้วยนะโรงเรียนก็ไม่มีสอนหมหาวิทยาลัยก็ไม่มีสอนนะวัดข้างๆบ้านก็ไม่มีใครก็พูดถึงนะประเทศไทยส่วนใหญ่ไม่ก็ได้พูดถึงพูดถึงการให้ทานการรักษาศีลแต่การที่จะมาฝึกปฏิบัติเนี่ยมีเหมือนกันนะแต่ไม่มากแล้วบางทีมีก็พาไปหลงนะไปหลงติดสงบนะไม่ได้ลงให้ตื่นรู้ ไม่ได้ลงให้เกิดปัญญาเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นโชคดีนะของพวกเราเป็นหนึ่งใน60กว่าล้าน70กว่าล้านคนที่ได้มีโอกาสจะมาเรียนรู้เรื่องพวกนี้ถ้าเราไม่เวยโอกาสตอนนี้เนี่ยก็ไม่รู้จะไปหาโอกาสตอนไหนแนละการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พุทธพุทธศาสนาและได้มาปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะยากนะเพราะฉะนั้นเรารีบเฉยโอกาสนะแล้วก็ตั้งใจสิ่งที่ พระอาจารย์ทรงสินก็ดีครูบาอาจารย์ต่างๆก็ดีกรลยาณมิตรก็ดีนะที่ชี้ช่องนะเราก็ทำไปเลยลองดูนะมันจะเป็นอย่างไรนะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะก็จะเป็นจุดเริ่มต้นนะของการที่เราจะค้นพบความสุขที่แท้ จ, จริงนะที่มีอยู่ในจิตในใจของเราเมื่อเรารู้จักความสุขชนิดนี้นะเราก็จะไปหาความสุขจากข้างนอกน้อยลง ไม่ต้องไปเสียงเงินเสียทองมากนะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าความสุขข้างนอกเราจะไม่หาแล้วก็หาแต่หาให้มันพอเหมาะพอดีนะไม่ต้องไปเชื่อ ค, คาําโฆษณานะเดี๋ยวนี้เขาโฆษณาว่าไอ้หนุ่นดีไอ้นี่ดีไอ้นั่นสุขไอ้นี่สุขมันหลอกทั้งนั้นแหละนะหลอกให้เราเสียงเงินเสียทองหลอกให้เราต้องวิ่งบุนถ้าเรามีจุดหลักนะเรียกว่ามีความสุขชนิดนี้เนี่ยนะมันก็จะเป็นหลักประกัน ว่าชีวิตของเราจะดำเนินไปในะอย่างพอเหมาะพอดีในะเรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงก็ได้นะที่ในหลวงได้กล่าวเอาไว้นะ่ะซึ่งจริงๆมันก็เป็นเรื่องของความพอเหมาะพอดีนนะหลักสันโดษนั่นเองความสันโดษในการกินการอยู่นะแต่ว่าอย่าสันโดษในการทำคุณงามความดีนะสิ่งที่เป็นคุณงามความดีทำให้มันดีเรื่อยไปนะตรงนี้เป็นสิ่งที่อยากจะฝากไว้ในเช้าวันนี้ เอาละในท้ายที่สุดนี้นะก็ขออ้างยิ่งคุณของพระษีรัตนไตรนะก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คือสติสัมปชัญญะที่มีในตัวเราพระธรรมคือจะจะทำความจริงที่แสดงปรากฏนะที่เราเห็นด้วยตาในก็คือสติสัมปชัญญะนะที่มีความแปรปวนเปลี่ยนแปลงไม่อยู่ในอำนาจของเรานะและพระสงฆ์ก็คือการประพฤติปฏิบัติ นะด้วยความศรัทธาด้วยความเพียรด้วยสติด้วยสมาธิและปัญญานะก็ขอให้สิ่งเหล่านี้เป็นพละวะปัจจัยหนุนนาให้พวกเราได้เข้าถึงความสุขเกษมสารนะก็คือความเป็นปกติของใจหรนะือเป็นนิพพานชั่วคราวนะทำให้ได้ต่อเนื่องนะในชีวิตนี้ก่อนที่ความตายมันจะมาถึง เราจะได้พร้อมที่จะเผชิญกับความตายความเจ็บความป่วยนะความทุกข์ทั้งหลายนะที่จะผ่านพ้นเข้ามาเพื่อให้เห็นที่สุดแห่งทุกขนะ์อย่างที่เราสวดกันตะเีนี้นะใหเห็นที่สุดแห่งทุกขนะ์ให้ปรากฏชัดแจ้งนะในชีวิตในชีวิตนี้ในปัจจุบันนี้โดยทั่วหน้ากันเถินเจริญพร